ในตอนนี้ก็อยาขอปรารภในตอนที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสีธาคามี <c oughs> ความจริงการปฏิบัติในอันดับพระโสดาบันถ้าจะเปรียบเทียบกิจริยาของบุคคลผู้เดินป่าก็จะเปรียบได้กับเหมือนว่าคนที่กำลังเข้าป่าไป เด น, น้ำเต็มแม่หุนทางเต็มม่ด้วยความ uk, รกกร้ว่วากรบน้ำต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าเดินผิดทางก็ติดน้ำตายต้องเดินให้ถูกทางถึงแม้ว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็รู้สึกว่าจะไม่มากนักทั้งนี้กับะว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังมาแล้ว จะเป็นพิจรารณาถึงจริยาของพระโสดาบันก็จะเห็นว่ามีอะไรไม่แตกต่างกับคนที่ชั้นดีเลยว่าพระโสดาบันในท่าเรือพูดกันไปก็เป็นชาวบ้านชั้นดีนั่นเองคนที่มีความดีก็คือเป็นคนที่ยอมรับนับถือความประสงค์ซึ่งกัอะไรกันและยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันะลรกัน เจ้โสดาบันนั้นย่อมยอมยอมรับนับถือสิทธิเขาของคนอื่นเสมอเลยสิทธิของตนคือไม่คิดจะฆ่าสัตว์จะทำลายชีวิตคนและสัตว์ไม่คิดจะลักทรัพย์ไม่คิดจะทำการเมสุเมฉาจารไม่คิดจะพูดมุสาวาตไม่คิดจะดื่มสุรามีไร และมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมประชาเสนาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เป็นคนมีเหตุมีผลใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนสอนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและมีอารมณ์ยึดเหนี่ยวอยู่เสมอ ว, ว่าเราจะต้องตายเป็นสําคัญในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เป็นคนเราก็ตั้งใจเป็นคนดี ถ้าเราอย่าตายเป็นผีเราก็เป็นผีดีเป็นผีที่ไม่ต้องไปสเสวยทุกขเวทนาในนรกด้วยความเป็นเปรตแม้สุดกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าพิจารณากันจริงๆก็จะทราบชัดว่าพระโสดาบันคือชาว บ, บ้านชั้นดีมีการปฏิบัติเหมือนกับบุคคลผู้เดินเข้าไปในป่าชัด ก็ว่าจะมีความลำบากอยู่บ้างก็เพียงว่าหาทางยากจะระเดินไปในระหว่างทางก็มีขวากมีหนามอยู่บ้างมีต้นไม้ระเกะระกะถ <c oughs> นทางไม่เรียบนักต้องแวก้นาแบกปุ่มไม้เดินไปนระหว่างทางที่ไม่เรียบก็อนนี้ก็มีประมาณเหมือนกับว่าคนเราที่มีจิตประกอบด้วยความเลว จิตข้อชอบแย่ค่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ให้มีความทุกข์จิตชอบลักชอบขโมยของของบอคอุคคลอื่นจิตชอบทำกาเมสุมิชาจา์จิตชอบใจบสั่งวาจาให้พูดมุสาวาดจิตชอบดื่มสุรามีไรอาการทั้งห้าประการนี้เป็นฝากน้ำของวโสดาบัน แต่ความจริงขวากศักขวากนาำนี้ก็รู้สึกว่าเป็นของไม่หนักทำได้ไม่ยากฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นประสดาบันจะมีความรู้สึกว่าไม่ยากนะักถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าถ้าเรามีความเป็นคนเต็มตัวที่อย่างเดียวหรือว่ามีความเป็นมนุษย์เต็มตัวที่อย่างเดียวก็เป็นประสดาบันได เว้นไว้แต่ว่าบุคคลที่มีความเป็นคนและเป็นมนุษย์น้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเท่านั้นจึงจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์สินของตนตนรักชีวิตของตนต น, ตนรักคนรักของตนตนรักวาจาที่ไม่เป็นสัตว์จริงตนไม่ชอบ ความเป็นคนบ้ามันเมาสุรามีไรเราไม่ชอบแต่ถ้อว่าชอบทำสี่ข้อชอบทำกับคนอื่นข้อที่ห้าชอบทำกับตัวเองอย่างนี้คือเรื่องคนไม่เต็มคนหรือว่าคนเกินคนไม่ใช่คนพอดีสำหรับคน <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครพูดตามตามความเป็นจริงเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ก็ขอผ่านไป จะขอก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสิกขาคามีในตอนนี้สำหรับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเห็นว่าอาตมาไม่เคยอธิบายการทรงจิตเป็นฌานดังนี้ก็รู้ว่าการปฏิบัติในด้านสุขาวิปัสสโกท่านใช้อารมณ์คิดเป็นใช้อารมณ์พิจารณาใช้ปัญญามากกว่าสมาธิ คำว่ามากกว่าหมายความว่าการฝึกผลสมาธิเข้าแนบสนิทจิตแน่นไม่ต้องมีสําหรับพระสกิธาคมสําหรับสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อประสูดาขอโทษปฏิบัติเพื่อในด้านสุขาวิปสัสสโกที่ได้กล่าวว่าท่านสุขาวิปสัสสโกเจะมีปัสนายานล้วนได้ความจริงไม่ล้วนมีสมถะเกิด่อนกลื่วอยู่ด้วยเป็นจํานวนมาก ในด้านเขาสมถะก็จะเห็นว่าอารมณ์ใดที่คุมใจให้พิจารณาอยู่ในขอบเขตเช่นเราพิจารณามรณานุสติกรรมฐานในพิ้งความตายเป็นอารมณ์จิตก็อยู่ที่มรณานุสติกรรมฐานพิจารณาถึ่งความดีเขาองค์สมเด็จโะสมมาสัมพุทธเจ้าความดีเขามาทำความดีเขามาส่อ ง, งคณของศีล จิตก็อยู่ในขอบเขตนั้นอาการที่ทาให้จิตอยู่ในขอบเขตนั้นท่านเรียกว่าสมถาภาวนาคืออารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านออกนอกเหนือในอารมณ์ที่เราต้องการและปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พิจรนารณาแล้วว่าการรักษาศีลเป็นของดีการเคารพในพระพุทพธธรรมพระอริยสงฆ์เป็นของดี การทำจิตของตนให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นของดีตัวนี้เป็นปัญญาและก็ปัญญาตัวนี้ก็มีกำลังกล้าสามารถจะข่มอารมณ์ที่เป็นความชั่วไม่ให้ปรากฏขึ้นมากับจิตได้นี่เป็นอนุว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อสุขาวิปัสสนยโกท่านไม่มีอะไรมากนักทำกันแบบสบายสบาย ในเมื่ออารมณ์จิตกัมมดาท่านพุทธบริษัจทรรมหลายมีการทรงตัวที่เรียกว่ามีมรณานุสติกรรมฐานมีอารมณ์เป็นฌานความจริงสุขาวิปัสสโกเบื้องต้นนี้ถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่สามารถจะตัดกิเลสได้นี่คําว่าปฐมฌานก็ไม่ใช่ว่านั่งนิ่งจนกรทั่งยุ่งกัดไม่รู้ตัว เป็นแต่เพียงว่าอารมณ์ที่ทรงตัวอยู่นั้นเราคิดอะไรอยู่อย่างไหนอารมณ์ทรงอยู่อย่างนั้นไม่รำคาญในเสียงที่บุคคลพูดและเสียงร้องเพลงอย่างนี้เป็นอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่ใช่อารมณ์นั่งนิ่งจนทั่ทงพูดอะไรไม่ได้หรือไม่พูดอะไรเลยนี่เป็นอันว่าเข้าใจกัน ว่าประสดาบันมีอารมณ์สมาธิอย่างน้อยก็ปฐมฌานถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานก็ไม่มีทางที่จะเป็นประสดาบันได้ตอนนี้เขาผ่านไปมาเกา้าก็สู่ความเป็นพระสิท ธ, ธาคามีเมื่อผ่านประสดาบันมาแล้วอารมณ์ยากก็ไม่มีแล้วอารมณ์ของประสดาบันเต็ไมไปด้วยกุศล อารมณ์ที่เป็นอคตศสอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ไหลามาทางกายวาจาเพราะว่าประโสบนาบันยัมีความรักมียังมีความอยากกลวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันดิ้นอยู่แค่ในใจมันไม่ไหลออกมาทางกายไม่ไหลามาทางวาจา ถ้าจะไหลออกมาบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อยไม่สามารถจะทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเป็นอันว่าพระโสนาบันเป็นคนดีแน่เมื่อทรงความดีเบื้องต้นอย่างนี้แล้วการก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีตามลำดับชั้นจึงเป็นของไม่ยาก <c oughs> ตอนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามี เราต้องทราบไปเียว่าพระสีธาคามีกับพระโสนามันตัดสังโยชน์ในสามประการเหมือนกันคือหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายอยู่เสมออาตมาจะไม่พูดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตอนนี้เพราะว่าท่านโสนี้ยังมีอารมณ์อย่างนี้อ่อนอยู่ พระโสดาบันกับพระสีธาคามีพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็ว่าเป็นผู้มีอธิศินคือยังมีจิตมั่นคงอยู่ในศินเป็นปกติเรื้อว่ามีสมาธิอย่างเล็กน้อยฉังนั้นเระสีธาคามีจะมีอาการดีกว่าพระโสดาบันก็นิดหน่อยเท่านั้น ตอนที่บรรเทาความรักในเพศหรือว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงขอโปรดทราบว่าขั้นบรรเทาเท่านั้นไม่ใช่หมดไปไม่ใช่สังหารให้หมดไปฉะนั้นการที่จะบรรเทาความโลภ ก, ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดี มันเท่าความหลงก็ดีหรือว่ามันเท่าความรักก็ดีก็ย่้ต้องทางกำลังใจให้สูงกว่าพระโสดาบันถ้าอย่านนั่งพิจารณาคิดว่าเราจะพึงตายถ้าเราอย่าตายเราก็ตายด้วยดีเป็นผีดีอยู่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ดีโดยศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีอารมณ์กาะผลินพนานเท่านี้ไม่พอจะเป็นพระสิทธาคามีไม่ได้ทอ <c oughs> นนี้ก็รู้ว่าความรักในเพศยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับการเมตสุมิชาจารได้ความต้องการในความร่ำรวยยังสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าระงับการอาทินนาทานสินได้ความโกรธยังสมบูรณ์บริบูรณ์ แต่ระงับการประหัตปหารสิ้นได้ความหลงในความรักสวยรักงามทรัพย์สินสมบัติยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถือว่าไม่เมาเกินไปมีความพอใจในการให้ทานนี่เป็นเรื่องของพระโสดาบันพอถึงพระสีธาคามีความรักในเพศบรรเทาลงความโลภอยากร่ํารวยบรรเทาลง ความโกรธบรรเทาลงความหลงบันเทาลงแม่การที่จะทำให้สี่อย่างนี้มันเทาลงก็ต้องใช้กำลังจิตให้มันสูงกว่าเดิมถ้าจะมีอุปมากำนุนว่าการเป็นพระโสดาบันเหมือนกับคนเดินบุกเข้าไปในป่าพราะจะเป็นพระสีธาคามีนี่เราต้องเริ่มสู้กับช้าง สำหรับช้างพระสกิทาคามีฆ่าช้างไม่ตายแต่จะว่าพยายามหาทางทําลายกําลังของช้างให้ต่ําลงและให้ย่อนลงจะเปรียบก็เป็นการสู้กับช้างหรือว่าจะเปรียบเหมือนเป็นการสู้กับเสือหรือสัตว์ร้ายก็ได้อะไรก็ได้ก็เหมือนกันแต่ถ้ว่ายังไม่มีกําลังทําสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ตายเป็นเพียงว่าให้กําลังตกไปเท่านั้น การสู้กับช้างสี่ตัวนั่นคือช้างได้แก่ความรักในเพศช้างได้แก่ความาความอยากจะร่ำรวยช้างได้แต่ความโกรธความพยาบาทช้างได้แก่ความหลงตอนนี้ต้องออกแรงกันนิดว่าตอนพไปสวนดาบันเราเดินบุก ป, ป่าเดินคลานต้มเตียมต้มเตียมไปตามธรรมดา ไม่ได้ออกแรงมากนักม่ตอนที่เราจะบรรเทากำลังของช้างเข้าตีกับช้างต้องใช้แรงมากหน่อยขอท่านผู้รับฟังพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าท่านจะเดินเข้าไปในป่าที่รกชัด <c oughs> มีกิ่งไม้มีน้ำได้ระเกะกาทางกับการต่อสู้กับช้างเราต้องใช้กำลังเวลาทา่าน ถ้ากำลังเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ฟังแล้วก็หลับตานึนถึงสภาวะความเป็นจริงนี้เจ้ช่างตัวนี้เราจะกล่าวว่าเป็นสี่เชือกหรือว่าช่างเป็นสีข่าขาก็ได้เอาช่างสีข่ขาก็แล้วกันเราไม่สามารถจะทําลายขาช่างแต่ละขาให้ขาดลงไปได้แต่้ว่าเราจะต้องตีขาช่างทั้งสีข่ขาให้เปรียก ขาที่หนึ่งก็ได้แก่ราคะความกำนัดยินดีในเพศเรื่องมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยมีการสัมผัสระหว่างเพศวาสนาบันยังพอใจเต็มที่แต่ถ้าว่าไม่เป็นชู้กับใครเท่านั้นดูตัวอย่างนางเวสาขามาหาอุบาสิกาเป็นวาสนาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปี แต่ในสุดเธอแต่งงานก็มีลูกสาวถึงยี่สิบคนเมียพรันชีกุกุตมิตรเป็นลูกขอางมาหาเศรษฐีก็เป็นเป็นลูกของมาหาเศรษฐีเป็นมรโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีเหมือนกันเห็นคู่ครองมีความต้องใจหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่กับสามีแล้วก็มีลูกอยู่ถึงเจ็ดคน นี่เป็นอันว่าพระโสดาบันก็มีกำลังความต้องการเท่ากับคนธรรมดาแต่ถ้าว่าไม่ละเมิดเนสินตอนนี้จะเป็นพระสิกธาคามีแล้วก็ต้องจ้องว่าไอ้ขาช่างสี่ขานี่เราจะตีขาไหนก่อน <c oughs> การจะตีขาช่างให้เพลียก็สุแลแต่กำลังเขาบรรดาท่านพุทธบริษัท มันหนักในภาวะอะไรหนักในความรักแล้วก็ตีความรักก่อนหนักอยู่ในความโลภแล้วก็ตีตัวโลภก่อนหนักในความโกรธแล้วก็ตีโกรธก่อนถ้าหนักในความหลงแล้วก็ตีหลงก่อนนี่สมมติว่าเราหนักในความรักเอาตามแบบฉบับในการหนักอยู่ในความรักสวยรักงาม ระหว่างเพศพูดกันง่ายๆจะสวยรูปสวยหรือเสียงเพราะอะไรก็ช่างเถอะเป็นอนนันเห็นว่าสาวสวยฉันรักหนุ่มสมรถฉันชอบยังมีความต้องการระหว่างเพศแล้วก็มานั่งนึกไว้เรื่องความรักนี่มันเป็นปัจจัยของความรุก ที่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าปียโตชายเตโสโกปียโตชายเตพยังซึงแปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักในวันนั่งนึกดูว่าสิ่งที่เรารักเรารักทั้งหมดรักสวยรักงามต้องการความสวยสดงดงาม หญิงชายจะแต่งงานกันก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกคนนี้ลักษณะไม่ดีคนนั้นท่าทางไม่ดีคนนี้เสียงไม่เพราะคนนี้ความสง่าผ่าเผยไม่มีไม่ดีคนนี้มันญาติไม่สวยเลือกกันสิเกือบตายแต่ว่าในที่สุดเมื่อแต่งงานกันแล้วไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันทรงอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ตึงเต่งเพ่งเบ่งบาน มีความสวยสดงดงามเปล่งปลัง่งไม่ใช่มันก็สลายตัวไปความงามของรูป ก, กาย ค, คล้ายๆกับผีหลอกเวลาที่จะแต่งงานกันแสนหาจะลักษณะสวยแสนสวยแต่แต่งงานกันไม่ได้กี่วันสภาวะอย่างนั้นมันก็สลายตัวเ俏ช้ชำไปหมดย่อนยานไปหมด บางท่านความเปล่งปลั่งหายไปมีสภาพคล้ายกับผีตายซากแล้วเราจะมานั่งรักเราจะมานั่งหลงเพื่อประโยชน์อะไรดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา ส, สันดาที่ทรงแนะนําว่าถ้าหากว่าเราจะทําลายอารมณ์ของความรักแต่ระหว่างเพศด้วยความรักในวัตถุ ให้ใช้ปัญญาพิจรารณาหาความจริงอันดับแรกก็มองดูก่อนถ้าเป็นคนหรือสัตว์เที่ยวรักแล้วก็นั่งหาความจริงว่กความจริงแท้เนื้อแทที่แท้จริงๆของเธอผู้นี้หรือท่านผู้นั้นมีการทรงตัวหรือเปล่าแก่เป็นไหมเข้าสองเข่ามองเป็นไหมเหี่ยวแห้งเป็นไหม เมื่อถ้าเราใช้ปัญญาพิจรารณากันจริงๆก็เหน็นว่าบุคคลคนนั้นนั่นแหละในขณะที่เรายัางสวยเห็นว่าสวยอยู่วความจริงก็สวยไม่ปกติเวลาอยู่บ้านที่ปล่อยการไม่แต่งตัวสวยน้อยไปหน่อยเวล า, าจะออกจากบ้านก็สวยมากไปนิดเสริมนั่นเสริมนี่เสริม น, น่นเสริมถ้าจนเห็นว่าสวยดีไม่ดีก็กลายเป็นเห็นตาเหมือนตาผี ตาดีๆเออะไรไปทาที่เหมือนกับตาผีหรอกมองแล้วอยากจะเจียนตายมีเนื้อแท้จริงๆความสวยความงามของร่างกายไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีอะไรสวยจริงเจ้าขอร่างที่เราเห็นว่าสวยถ้าเธอและท่านผู้นั้นไม่ขัดสีชวีวันไม่อับน้ําไม่อับท่าไม่แต่งกายไม่ชําระร่างกายให้ดี ภายในระยะไม่นานท่านผู้นั้นไมกี่วันเจ็ดแปดวันตัวของท่านเองท่านก็ยังรังเกียจถ้ามันสกปรกนี่มองเขาไปทีว่าภายในร่างกายของท่านนี่มีอะไรบ้างสิ่งที่เราเรียกเรี่งไม่ได้ น, นคืนหนึ่งอุจาระของท่านปัสสวะของท่านน้ำลายของท่านน้ำมูกของท่าน เงือใครของท่านที่เราเห็นได้ง่ายสิ่งเหล่านี้นหเหล่านี้เราเข้าใจว่าเป็นของสะอาดหรือว่าของสกรปรกเป็นของดีหรือว่าของเลวนี่ท่านยังหลมยังสาวอยู่ยังมีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอยู่ตั้งเยอะข้างในที่เรามองไม่เห็นก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มบดีความสกรปกสกรกโสโครก โดยเฉพาะเลือดเป็นสิ่งที่เราต้องการว่าเป็นสิ่งบำรุงร่างกายให้งดงามแต่แต่ว่าเลือดแท่หลงไหลามาจริงๆเราก็ลังเกตยจว่าเลือดสดกับรกนี่สภาว่าความจริงเป็นอย่างนี้นี่ตอนหนุ่มตอนสาวพออยู่ด้วยกันไม่นานนักปันเวลาล่วงไปความสุดซนของร่างกายก็ปรากฏ ท่านปลาโกยังไงมันก็เริ่มแก่ความเศร้ามองก็ตกไปทีเห็นคู่ครองหลายรายที่ก็มีความเห็นว่าเวลาจะไปเที่ยวนอกบ้านไม่อยากจะพัญญาและไม่อยากจะเดินคู่กับสามีตั้งนี้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันเห็นว่าสวยแสนสวยแต่ว่าแต่งงานกันแล้วไม่นานนะักกลับเห็นว่าร่างกายของคู่ครองสุดโศรลงไป นี่ตัวนี้มันเป็นอานิจังหาความเที่ยงไม่ได้แล้วก็น่าจะมาปลงใจว่าโอ้หนอร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีที่เรามานั่งหลงไหลไฟฝันยมแบบนี้แต่ความจริงมันหาอะไรดีไม่ได้นอกจากจะไม่ดีแล้วสภาวะความจริงของมันก็มีสภาพหนึ่งไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัว เมื่อเราครบหาสมาคมมีการร่วมรักกันเข้ามันก็เพิ่มความทุกข์ภาระเคยน้อยก็มากขึ้นไม่ีีสุดก็สลายตัวไประบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดเส็แล้วต่อที่นี้ไปก็ขอันรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟัง จงใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาแล้วโดยย่อนี้ให้วิจิตพิสดานมากขึ้นไปกว่านี้ื่อการแนะนำกันก็แนะนำกันแต่เพียงหัวข้อเท่านั้นเพื่อเป็นการทำลายราคาความรักในระหว่างเพศและขอทุกท่านจะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดใจตาม ควรแกการพิจารณาที่เราจะตัดราคาให้ไม่ให้วินาศไปตามการเวลาที่ท่านหินสมควรสวัสดี